บทที่27ไม้แก่ดัดยากชาวบ้านที่อาศัยอยู่รายรอบวัดมีฐานะยากจนพวกเด็กๆที่เป็นลูกหลานเมื่อเรียนจบชั้นปฐมปีที่สี่แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อทั้งนี้เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งเสียสมภารวัดป่ามะม่วงคิดอยู่หลายปีว่าจะช่วยสงเคราะห์พวกเขาอย่างไรการเป็นสมภารเจ้าวัด ไม่ใช่จะสุขสบายเพราะต้องคอยดูแลรับผิดชอบปากท้องของลูกวัดซึ่งมีทั้งพระเนนชีและเด็กชายอีกสามคนเนื่องจากสมภารท่านเป็นพระนักพัฒนาได้ทาการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจยังไม่หยุดยัง้งวัดป่ามะม่วงจึงเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลาดับเมื่อวัดเจริญท่านก็หันไปสนใจชาวบ้านต้องการให้พวกเขา ได้มีอาชีพนึกถึงวัดหนองโพที่หลวงพ่อเดิมและเจ้าอาวาสองค์ก่อกอๆท่านใช้วัดเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้แก่ลูกชาวบ้านมีการสอนด้านศิลปะการแสดงเช่นโมยไทยลำดาบกระบี่กระบองลำตัดลิเกซึ่งเด็กๆที่มาเรียนนำไปยึดเป็นอาชีพได้ครั้นมาสมัยนี้ อาชีพดังกล่าวลดความสำคัญลงท่านจึงไม่คิดที่จะสอนวิชาเหล่านี้ในวัดป่ามาม่วงหากก็ยังคิดไม่ออกว่าจะสอนอะไรวันหนึ่งพวกลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์โรงเรียนอาชีวศึกษาได้มากราบเยี่ยมจเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงจึงโถอโอกาสปรึกษาเรื่องนี้กับเขาอัตมาคิดมานานอยากจะให้ลูกหลานชาวบ้านแถวนี้ เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้นอกเหนือจากการทำนาแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะให้เขาทำอะไรอย่างนี้ดีไหมครับหลวงพ่อตอนนี้เขากำลังนิยมเรียนตัดผมตัดเสื้อผ้าหลวงพ่อก็เปิดสอนในวัดเลยพวกผมจะมาช่วยสอนให้อาจารย์คนหนึ่งเสนอหนูสนับสนุนค่ะหลวงพ่อหนูก็จะมาช่วยสอน พอดีที่กรมอาชีวศึกษาเขามีนโยบายสนับสนุนการเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่เปิดสอนในวัดเหมาะที่สุดหนูจะช่วยเรียนท่านผ อ, อให้ติดต่อมาทางกรมให้อาจารย์หญิงเห็นด้วยแม้ดีจริงๆอาตมาขออนุโมทนาอาจารย์จะได้บุญได้กุศลมากทีเดียวถ้าเช่นนั้นขอความการุณาเรียนผ อ, อให้ดำเนินการด้วย สมพานกล่าวอย่างยินดีเดือนต่อมาวัดป่ามะม่วงก็กลายเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่มีสอนตัดผมตัดเสื้อมีนักเรียนรุ่นสาวมาเรียนประมาณ20สิคนเด็กหนุ่มมาเรียนตัดผมชายเจคนแผนกตัดผมใช้เวลาเรียนสามเดือนแผนกเสื้อใช้เวลาเรียนหเดือนเมื่อจบรุ่นที่หนึ่งก็รับรุ่นที่สองที่สต่อไปเรื่อย คลันเรียนจบแล้วสมภารยังช่วยหางานให้ทำกล่าวคือเมื่อมีญาติโยมมาจากกรุงเทพท่านก็จะฝากฝังลูกศิษย์ให้ไปทำงานด้วยลูกศิษย์ของท่านเมื่อเรียนจบหลักสูตรต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอีกเจ็ดวันจึงจะถือว่าจบอย่างสมบูรณ์เมื่อไปทำงานจึงเป็นผู้มีคุณธรรมซื่อสัตต์ตั้งใจทางานไม่เกียจคร้านหญิงสาวสิบคน ที่จบรุ่นแรกประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายทุกคนมีงานทำและหลายคนได้เป็นเท่าแก่นี้เพราะเมียเท่าแก่เสียชีวิตเท่าแก่ผู้ไม่ต้องการให้คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านจึงแต่งงานกับลูกจ้างด้วยประการชนี้นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของท่านสมพานในการสงเคราะห์ชาวบ้านแถบนั้น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรจากพระเจริญเป็นท่านพระครูเจริญมาตั้งแต่บัตรนั้น วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมหลังจากฉันพัตหารเช้าแล้วท่านพระครูจึงเดินไปที่ศาลาการประเรียนเพื่อสอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ญาติโยมขณะที่ท่านกำลังขึ้นบันไดศ า, าลาก็ได้ยินเสียงดังก้องอยู่กลางนภาอากาศพระคุณเจ้ากระผมข อ, อนมัสการลาวันนี้เวลา9ก้านาฬกานาทีกระผมขอลาต้นพิกลจะโค่นลงมา สมภารวัดป่ามะม่วงมองหาที่มาของเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดอยู่ณที่นั้นพลันจิต ก, ก็คิดไปถึงเทพ ย, ายดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นพิกุลเสียงเทวดานั่นเองท่านคิดตามองออกไปยังต้นพิกุลลำต้นสูงใหญ่ออกอย่างนั้นหากโคนลงมาทับหลังคาโบสถ์พังแน่จึงพูดออกไปว่า จะไปก็ขอให้ไปดีนะแล้วอย่าทาให้โปรด ต, ต้องเสียหายอาตมาไม่มีเงินซ่อมได้ยินเสียงตอบลอยมาเข้าโสดประสาทว่าไม่ต้องห่วงขอรับกระผมจะพยายามไม่ให้สิ่งใดต้องเสียหายแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะให้เสียน้อยที่สุดขอกราบขอพระคุณที่ได้ให้อาศัยอยู่หนะ้าที่แห่งนี้เป็นเวลาถึงร้อยปีของโลกมนุษย์ ซึ่งเท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของสวรรค์แสดงว่าท่านมาจากสวรรค์ชั้นดาววดึงเพราะในคำภีบอกไว้ว่าร้อยปีโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านอ้างคำภีถูกแล้วขอรับกระผมอยู่สวรรค์ชั้นดาววดึงถูกองค์อินลงโทษเพราะผิดประเวณีกับนางฟ้าบัดนี้กระผมพ้นโทษแล้ว จึงข อ, อนมัสการลาโปรดอย่าลืมที่กระผมเคยกราบเรียนไว้ปี2515พระคุณเจ้าจะได้พบนารีผลที่ประเทศศรีลังกาปี2525 25, จะได้พบบ่อน้ำทิพที่ประเทศจีนอัตมาจดไว้แล้วถ้าไม่จริงจะให้ปรับกับใครกระผมจะลงมาให้ปรับแต่รับรองว่าพระคุณเจ้าไม่ได้ปรับกระผมแน่นอน ต้องขออภัยที่ไม่ได้ปรากฏตัวให้พระคุณเจ้าเห็นนิมนต์พระคุณเจ้าไปสอนกรรมฐานให้ญาติโยมเถอะขอรับขอให้โชคดีนะว่างๆลงมาคุยกันบ้างอาตมาอยากรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรเพราะไม่เคยไปตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่ากลัวแต่จะต้องไปตกนรกพระคุณเจ้าจะไม่ได้ไปทั้งสวรรค์และนรก เพราะพระคุณเจ้ามีคุณธรรมสูงเกินกว่าที่จะไปเกิดเป็นเทพพ ย, ายดาจิตของพระคุณเจ้าพ้นแล้วจากนรกสวรรค์มีที่หมายอย่างเดียวคือพระนิพพานกระผมขออนุโมทนาที่พระคุณเจ้าจะได้ตัดขาดจากวัฏฏสงสารส่วนกระผมยังต้องวนเวียนไหวยอยู่อีกนานโชคดีที่ได้มาอยู่วัดนี้เพราะทาให้กระผมเกิดความเบื่อนาย ในการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดเป็นทุกข์ดังนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดายิ่งถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกกระผมสงสารคนที่ชั่วประพฤติผิดศีลธรรมเขาคงไม่รู้ว่าเมื่อตายจากโลกมนุษย์เขาจะต้องไปชดใช้กรรม ถูกทรมานอย่างสาหัสสาการอยู่ในเมืองนรกรู้สึกว่ากระผมจะพูดมากไปหน่อยขอกราบนมัสการลาขออำนวยพรให้พระคุณเจ้าจงบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วเถืนเป็นคำอวยพรที่ท่านพระครูปรารถนาอย่างยิ่ง เสียงนั้นหายไปในอากาศท่านพระครูจึงเดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไปนั่งอย่างอาสนะผู้ปฏิบัติธรรมกำลังนั่งรอให้ท่านสอบอารมณ์ท่านสมพานเป็นอะไรไปหรือเจ้าคะอีฉันเห็นยืนพูดอยู่คนเดียวนางโถถามขึ้นอัตมาคุยกับเทวดาโยไม่ได้ยินกัน ห, หรือเขาพูดเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณไม่ได้ยินครับได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อ อุบาสกคนหนึ่งตอบและได้ยินเสียงสนับสนุนจากคนอื่นๆอ้าวงั้นเทวดาก็แกล้องอาตมานาซิแล้วกันแบบนี้ใครเห็นเข้าก็จะหาว่าอาตมาเพี้ยนท่านบน่นเทวดาคุยอะไรกับท้ำสนพานหรือจ๊ะนางโถถามอีกเขามาบอกว่าจะกลับเมืองสวรรค์เวลาเก้านาฬิกา45้านาทีเขามาอยู่ที่ต้นพิกุล ครบร้อยปีแล้วอยู่มาตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดวันนี้ครบร้อยปีเขาจึงขอลากลับไปเมืองสวรรค์งั้นกระวจนแล้วสิครับนี่เก้าโมงแล้วอุบาสกก้มดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นเป็นเวลาเก้านาฬิกายังเหลืออีกสี่สบห้านาทีเอาละสอบอารมณ์กันก่อนแล้วค่อยออกไปยืนดูต้นพิกุลเทวดาบอก ว่าพอเข้าไปต้นพิกุลจะโค้นลงมาจากนั้นท่านพระครูก็เริ่มสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมซึ่งมีประมาณส0สคนส่วนใหญ่เป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายไม่ค่อยชอบมาวัดเพราะว่าเอาเวลาไปกินเหล้าเจ้าชู้กันเสียมากกว่าเวลาไปตกนรกจึงมีพวกผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเหลือเวลาอีกห้านาที เทวดาก็จะไปจากวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจึงชวนญาติโยมออกมายืนดูต้นพิกุลที่หน้าศาลาทุกคนรอด้วยใจระทึกตาจับจ้องที่ต้นพิกุลสูงใหญ่นั้นคลั้นได้เวลาตามเทวดาบอกต้นไม้ใหญ่อายุเกือบพันปีก็โค่นลงมาเสียงดังสนั่นวันไหวความสูงของต้นยาวไปถึงโบสถ์ท่านพระครูใจหายใจคว่ำ เมื่อลำต้นขนาดใหญ่เอลงมาตรงหลังคาโบสถ์ครั้นจนจะถึงกลับเบียงหลบเหมือนมีมือมหึมามาผลักออกไปลำต้นจึงล้มฟาดไปทับกําแพงแก้วพังไปแถบหนึ่งกระนั้นก็เสียหายไม่มากนักแต่ถ้าหลังคาโบสถ์ย่อมหมายถึงโบสถ์พังทั้งหลังขอบใจมากขอบใจที่ไม่ทําให้โบสถ์พังท่านพระครูพูดขึ้น หลวงพ่อขอบใจเทวดาเหรอครับอุบาสกถามถูกแล้วอัตมาใจหายหมดนึกว่าโบทพังแน่คราวนี้เขาบอกอัตมาว่าจะทำให้เสียหายน้อยที่สุดอิฉันก็อกสั่นขวัญหายหมดกลัวโบทพังพวกเรายิ่งยากจนอยู่จะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมมาสร้างนางโถพูดอย่างโล่งอกเอาละเห็นจะต้องขอแรงพวกชาวบ้านมาช่วยกันตัด ปล่อยไว้อย่างนี้ก็เกะ ก, กะเกีดขวางทางเดินวันรุ่งขึ้นท่านพระครูจึงขอแรงพวกชาวบ้านให้มาช่วยกันตัดลำต้นและกิ่งก้านพิกุลต้นนั้นชาวบ้านเมื่อทราบว่าต้นพิกุลเคยเป็นที่สิงสถิตของเทวดาก็พากันหยิบติดไม้ติดมือกลับไปบ้านของตนคนละท่อนสองท่อนไม่เหลือให้ท่านพระครูเอาไว้ดูต่างหน้าแม้แต่ท่อนเดียว สงเคราะห์พวกเด็กๆให้มีอาชีพเลี้ยงตัวได้แล้วท่านพระครูก็คิดที่จะสงเคราะห์คนเท่าคนแก่ผู้หมดเรี่ยวแรงที่จะทํามาหากินต้องอาศัยลูกหลานเลี้ยงดูท่านคิดด้วยเมตตาว่าคนเหล่านี้ยังเหลือเวลาที่จะอยู่ในโลกมนุษย์อีกไม่นานนักควรจะได้สร้างความดีสะสมไว้เพื่อเป็นเครื่องนําทางชีวิตไปยังปารโลก การสร้างความดีไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะให้พวกเขาได้มีโอกาสมาเข้ากรรมฐานจึงบอกจุดประสงค์ให้ญาติโยมทราบอาตมาอยากจะสงเคราะห์คนเท่าคนแก่ใครมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำงานไม่ได้แล้วก็ขอให้เข้ามาเข้ากรรมฐานจะงดสอนญาติโยมสักระยะหนึ่งขอให้กลับไปปฏิบัติที่บ้าน มีอะไรค้องใจมาถามได้อาตมาจะใช้ศาลาเป็นที่ปฏิบัติของคนเฒ่าคนแก่ญาติโยมจะเห็นด้วยหรือไม่ท่านถามความเห็นบรรดาญาติโยมเห็นด้วยจ้ะเห็นด้วยครับอุบาสกอุบาสิกาตอบพร้อมกันถ้าเช่นนั้นก็เริ่มกันพรุ่งนี้เลยใครมีพ่อแม่ที่แก่เฒ่าพามานะมากินมานอนอยู่ที่วัดนี่แหละ จะได้แม่ลำบากลูกหลานมารับมาส่งอัตมาจะให้พวกแม่ชีก็ช่วยทำอาหารเลี้ยงเจดวันไปแล้วค่อยมารับกลับบ้านวันรุ่งขึ้นมีผู้สูงอายุมาเข้าปฏิบัตินับจำนวนได้2ี่สิพอดิบพอดีและที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นก็คือใน20สิบคนนี้มีผู้ชาย1ิบคนผู้หญิงสิบคนซึ่งปกติจะผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิง อาจเป็นไปได้ว่าผู้ชายวัยนี้หมดพิษสงแล้วที่จะไปกินเหล้าเจ้าชู้ก็ทำไม่ได้เพราะสังขารไม่อำนวยจึงยอมให้ลูกหลานเกณฑ์มาเข้ากรรมฐานท่านพระครูสอนผู้ปฏิบัติธรรมทั้ง2ี่สบคนอย่างตั้งอกตั้งใจกระนั้นการสอนก็ไม่ได้เป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะคนแก่ความจำเสื่อมจดจำอะไรไม่ค่อยได้ แม้จะอธิบายแจกแจงอย่างละเอียดแล้วก็ตามกว่าจะผ่านการอธิบายภาคทฤษฎีท่านพระครูก็เหนื่อยแทบขาดใจครั้นมาถึงการเดินจงกรมก็มีอุปสรรคอีกเพราะว่าเวลาเดินขาสัน่นบางคนไม่มีเรียวแรงท่านต้องอนุญาตให้เดินเกาะข้างฟ้าได้เดินจงกรมครบ30นาทีแล้วก็เป็นการสอนนั่ง เมื่ออธิบายวิธีนั่งจนเป็นที่เข้าใจแล้วท่านพระครูจึงให้นั่งเป็นเวลา30นาทีให้เดินและนั่งสลับกันไปอย่างละ30นาทีกระทั่งได้เวลาอาหารกลางวันซึ่งเป็นหน้าที่ของแม่ชีที่จะจัดการดูแลเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงบอกให้พวกเขาพักและเริ่มปฏิบัติต่อในเวลาบ่ายโมงจากนั้นท่านเดินกลับมายังกุฏิ เพื่อฉันเพนการปฏิบัติในช่วงบ่ายยิ่งมีอุปสรรคกว่าช่วงเช้าทั้งนี้เพราะผู้ปฏิบัติมีอาการง่วงเหงาหานอนเมื่อรู้ว่าจะไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเย็นเพราะถือศีลแปดบรรดาอุบาศกอุบาสิกา ผู้สูงอายุทั้งยี่สิบจึงพากัน ร, รับประทานเสฉจนอิ่มแปร่ในว่าเผื่อมื้อเย็นด้วยคลั้นท้องอิ่มเกินไปไฟาธาตุย่อยไม่ทันทำให้อึดอัดและง่วงนอนเมื่อนั่งภาวนาจึงพากันหลับสับ ป, ประงกตัวโยกไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างท่านพระครูนั่งดูอย่างนึกปรงอนิจจังเกิดลังเลใจว่าสิ่งที่ท่านทาอยู่นี้ จะได้บุญหรือได้บาปกันแน่นอหากพวกเขาพากันคิดว่าท่านเอาคนแก่มาทรมานทรกรรมก็แปลว่าท่านบาปเพราะจะกลายเป็นว่าทำคุณให้โทษโปรดสัตย์ได้บาปยิ่งมองดูพวกเขาก็ยิ่งลังเลใจดูเอาเถอะบางคนนั่งหลับน้ำลายไหล ย, ยืดลงมาที่ตักบางคนส่งเสียงกลนดังเหมือนเสียงเรือไอ ครันนั่งครบสาสิบนาทีท่านจึงไม่ปลุกให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมให้เขาหลับต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงจะได้มีเรียวแรงมาเดินคิดได้ดังนี้แล้วท่านจึงนั่งหลับตากำหนดจิตว่าเมื่อได้เวลาขอให้รู้ท่านพระครูนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอครบส0สิบนาทีแล้วจึงลืมตาดูเหมือนว่าอุบาสกอุบาสิกาบางตาไปจนผิดสังเกต ท่านจึงนับดูปรากฏว่าเหลือสิบห้าคนไม่เป็นไรสิบห้าคนก็สอนได้ท่านปลอบใจตัวเองแล้วจึงบอกพวกเขาให้กําหนดลืมตาจากนั้นจึงบอกให้ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินครบสามสินาทีแล้วจึงนั่งและท่านก็นั่งด้วยสามสิบนาทีให้หลังท่านกําหนดลืมตาคราวนี้เหลือห้าคนจึงพูด ให้กำลังใจกับคนที่เหลืออยู่ทั้งห้าคนนั้นว่าโยมไม่ต้องไปสนใจนะใครก็จะไปก็ช่างเขาคนมีบุญเท่านั้นจึงจะปฏิบัติได้พวกที่หนีไปเป็นพวกไร้บุญไร้วาสนาท่านคิดว่าคราวนี้คงทําให้คนที่อยู่มีกําลังใจปฏิบัติต่อเพราะหลังจากให้เดินจงกรมสาสิบนาทีและให้นั่งสาสิบนาทีพอท่านลืมตาก็เห็นแต่เสาศาลา ไม่มีคนเท่าคนแก่เหลื อ, อไว้ให้สอนแม้แต่คนเดียวภิกษุวัยสาสิเศษรำพึงกับตัวเองว่าถ้าเรานั่งสอนเสาสาลาใครมาเห็นก็คงคิดว่าเราบ้าพระครูเจริญจะเป็นบ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่สอนคนแก่ก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่สอนคนแก่ก็ได้ คนแก่งอกแล้วก็หงิกเข้าเมนไปไม่มีประโยชน์สู้สอนเด็กไม่ได้เพราะเด็กงอกแล้วก็งามต่อไปนี้เราจะสอนเด็กจะไม่สอนคนแก่อีกแล้วเขยดจริงๆ